จเจริญในธรรมจมะมีแต่ท่านผู้ฟังเท่าไรแต่หมวงปโพติานในวันนี้ก็จะพูดเรื่องปัจเจเวคขณะสมาธิิคือปัญญาเน้นชอบที่เกิดขึ้นจากการเพ่งพินิษพิจารณาเฉพาะกรณีกรณีไปคำว่าปัจเจเวคขณะแปลว่าพิจารณาเจาะจงคือเฉพาะเรื่องนั้ น, น, น หมายความมองแล้วมองอีกพลิกไปพลิกมามองทุกแงทกมม่ทุกมุมทุกมิติทุกด้านก็สิ่งดียดนั้นจนเข้าถึงความจริงในระดับต่างๆแล้วก็ได้รับประโยชน์จากการคิดอย่างนั้นหมายความว่าเป็นการใช้ปัญญาที่พิจารณาแต่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตของเรา ในข้อนี้พระเจ้าทรงจำแน่แสดงไว้มากแล้วก็โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือพระเราเนี่ยทรงสอนเรื่องพิจารณาในขณะรับปัจจัยสี่ในขณะที่บริโภคปัจจัยสี่แล้วก็หลังจากบริโภคไปแล้วก็ให้พิจารณา เพื่อต้องการบรรเทาความกำหนัดความเพลิดเพลินความยินดีในเรื่องเหล่านั้นยันในกรณีของปัจเจศีนั้นเราจะเห็นว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เราพูดถึงปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องนี่คือโลกในจริงมันมีปัญหาใหญ่อยู่สองปัญหาเท่านั้นเองก็เรียกว่าความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิกนกับปัญหาเรื่องปากเรื่องท้อง ก็แสดงว่าเป็นปัญหาเศรษฐกิจก็เป็นปัญหาสังคมแม้แต่ปัญหาการเมืองมันก็สืบเนื่องจากเศรษฐกิจสืบเนื่องจากสังคมปัญหาศาสนาเองก็สืบเนื่องมาจากสังคมตอนถ้าถ้าเราแก้ปัญหาเศรษฐกิจกับปัญหาสังคมได้ปัญหาอย่างอื่นมันก็แก้ได้แต่ปัญหาจะแก้ที่ไหนล่ะ ถ้าเราจะไปแก้ที่สังคมร้วนๆโดยไม่ได้ศึกษาให้ถึงก้นบึ้งของปัญหาเหล่านั้นมันกาจจะแก้แบบเกาแผลคันก็เสร็จแล้วก็คันต่อคือเกาต่อไม่เกิดประโยชน์เพราะวิธีการที่ฉลาดก็คือว่าจะต้องมองในลักษณะให้เข้าถึงเนื้อหาสาระที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้น เช่นสมมติว่าการบริโภคอาหารเนี่ยในชุดรับในชงส่งสอนในพิจารณาเห็นว่าที่จริงอาหารเหล่าเนี้มันก็ประกอบไปสิ่งปฏิกูลต่างๆโดยเนื้อหาสาระของมันแล้วเนี่ยมันไม่เป็นสัตว์ไม่ได้เป็นชีวะแล้วก็ว่างเปล่าจากสาระแก่นสารแต่มันเป็นปัจจัยที่ต้องอาศัยเพราะว่าชีวิตเรานั้นจะอยู่ได้ก็โดยอาหาร ไม่มีอาหารก็อยู่ไม่ได้ทีนี้อาหารเนี่ยถ้าบริโภคโดยตัณหามันก็มีปัญหาปหัญหาที่ตามมาอีกเป็นเอเนกกันนั้นควรทำยังไงจะเอาปัญญาเข้าไปกากับในการรับอาหารเหล่านั้นโดยมองสัตว์แต่วทาธาตสงช่ยกันว่าธาตุมัตตโกคือสัตว์แต่วทาธาต นิสสโตไม่ใช่สัตว์นิชีโวไม่ใช่ชีวะสุญโย ว, ว่างเปล่าเรื่องใหญ่นะคือคิดคิดใหญ่มากเยังนึ ก, กว่าเอว่างไว้สาคัญนะเรื่องมองอย่างนี้ที่จริงไม่ใช่มองเรื่องง่ายเลยแต่และเรื่องนี่จะมองยากมากโดยเฉพาะสามคำนะนนนเนี่ยนิสสโตนิชีโวสุญโยเนี่ยมองยากมากๆเพราะอะไรเพราะว่ามนุษย์มันมีสัตัสัญญาคือความรู้สึกเป็นสัตว์ แต่ความรู้สึกเป็นอัตตาสัญญาคือรู้สึกเป็นตนจนมาถึงจุดหนึ่งก็กลายเป็นสักกายทิฏฐิคือความเห็นเป็นตัวเป็นตนหรือตัวหรือตนมีตัวมีตนเนี่ยนะฮซึ่งสิ่งเราเน้นจะมาปรุงปลืออัตราของตนพานอาหารจึงจะหนักไปในทางทางรูปทางเสียงทางสีทางกลิ่นทางรส ทางสัมผัสที่จริงอาหารจริงๆเนี่ยถ้าเราดูเราดูถึงคุณค่าทางอาหารจริงๆแล้วก็เพียงแต่ว่าป้องกันความหิวใหม่ได้ไหมกระจายความหิวเก่าได้ไหมให้ร่างกายมีเรี่ยวแรงมีกำลังปฏิบัติภารกิจการงานได้ไหมก็จริงๆมันก็มีเท่านั้นนะแต่ว่า เราก็ต้องไปปรุงสีปรุงกลิ่นปรุงรสปรุงรูปปรุงสัมผัสอะไรกรอบอะไรนิ่มอะไรอ่อนอะไรคล่องคอไม่คล่องอมูมามนกับสารพารัดเลยเนี่ยคนนี้ที่จริงมันเป็นกรร ม, มะคุณแต่เราก็เป็นสัตว์โลกที่ยังเกี่ยวข้องอยู่ด้วยกรร ม, มะคุณเราก็พอจะติดใจอาหารในรูปของความเป็นวัตถุกรรมคือหมายความว่า สีต้องสวยกลิ่นต้องหอมรสต้องอร่อยสัมผัสต้องน่าจับเวลาเคี้ยวเนี่ยมันจะมีความรู้สึกนะก็แล้วแต่มันจะรู้สึกยังไงเพระาะการการสอนจึงสอนให้มองในแนวที่ไม่ยึดมั่นคือมัน่นเพราะว่าอะไรในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยชีวิตของพระเรา มันเอานิยายนี่ไม่เคยได้่ะนะอยากได้ร้อนก็ได้เย็นอยากได้อย่างนั้นก็ได้อย่างนี้อะไรแต่ไหมันต้องทำใจแต่ว่าจริงๆระดับชาวบ้านเนี่ยคงไม่ต้องเอาขนาดนั้นก็ได้คือไม่ต้องถึงมองในช่วงรับนะฮะไม่ถึงมองในช่วงของอาหารเป็นนิสัตโตนิจีโวสุดโยอย่างนี้มันก็หนักปนไปหน่อยแต่ว่าทำยังไงทำทำอย่างไรว่ามองอาหารเนี่ย เราไม่ใช่บริโภคเพื่อเล่นเพื่ออรถอออรถอริดอร่อยเพื่อแสดงสถานะอดมากบดมีอะไรแต่ไรเนี่ยแต่ว่าให้บรรลุวัตถุประสงค์คือป้องกันความหิวเก่าวขาจัดความหิวอับขจัดความหิวเก่าวป้องกันความหิวใหม่ให้ร่างกายมีกำลังมีเที่ยวแรงสามารถปฏิบัติภารกิจการงานได้เนี่ยดนั้นก็คือวัตถุประสงค์จริงๆ แต่มันทวนกระแสน่าดูนะฮะทังฟังที่ไปเจอพระฉันอาหารเลยจะเพราะพระแนวกรรมฐานเนี่ยนะฮคือพระเราก็ไปที่จริงก็พิจารณานะแต่ว่าพิจารณาไปตลอดตั้งแต่นั้นมาแล้วก็พิจารณาไปเรื่อยๆคือไม่ได้มีรูปแบบไม่ค่อยนิยมใช้รูปแบบเพราะปัญหามันอยู่ที่ตัวสติรู้เท่าทัน โดยใหญ่จริงๆก็คือว่าอย่าให้มันกิเลสมันฟูขึ้นกันแล้วกันในขณะที่บริโภคเนี่ตัวว่าถูกประสงค์ก็เหมือนกันพีพ้าบางรูปเนี่ยเล่นขนาดว่าต้องการใจเห็นจริงแล้วก็ไม่ติดใจในรถเขาเล่านว่าสมเด็จพระพุท ธ, ธาจาย์โตเองว่าหารคำใดที่มันเกิดรู้สึกอร่อยเนี่ยท่านจะขายจะขายชิ้งจะไม่ฉัน แล้วในการต่อมาก็มาปั้นเป็นพระ ต, ต่างๆในพระสมเด็จรุ่นต่าง ๆ, ๆแล้วท่านจะเอาอะไรผสมเข้าไปเพื่อไม่ให้รู้สึกเป็นรสเป็นชาหรือพระบางองค์เล่นแรงเรามาขยำปนกันทั้งหมดเลยทั้งกับทั้งข้าวทั้งของหวานทั้งของขาวในขยำปนกันหมดก็เละนะฮะแต่ที่คนอาเจียนออกมานี่ยเป็นเลนะแล้วก็กิน ถ้าพอรู้สึกอร่อยแกก็คลายลงมาแล้วก็กินกิดต่อมันรู้สึกมันน่าคึ้นใส่นะก็าทาไม่ไหวคือยังนึกถึงกรรมฐานข้อนี้นะแลมาเป็นคนจะเดินไม่ได้มาตั้งแต่บวชใหม่ๆมาเลยไปพิจารณาให้มันเต็มที่แล้วนี่เลิกกินกันเลยนะอาเจียนออกหมดเลยร็แสดงว่าเราไม่ถูกกับกรรมฐานประเภทนี้ไม่ถูกอัตยาศาสัยกัน จเจรินไม่ได้นะพกเจริญเต็มที่พิจนารณานั่งปฏิกูให้เห็นแล้วก็มองให้เห็นเนี่ยจนว่ากลายเป็นเดี๋ยวนี้ขนาดว่านั่งรถไปตามตามรถเนี่ยไปเจอรถบรรทุกซักบรรทุกสัตว์ไปขายเนื้อวัวเนื้อหมูอะไรแต่หมูเป็นกตัวที่หลับตาอะไรไม่ดูเพราะต้องไปเห็นแล้วไม่กล้าฉันนี่ทุกวันเองงฮะจริงๆก็ไม่เคยกล้าฉันเนี่ยสัส แต่ว่ามันก็จำเป็นนะครับพระเราก็ก็แล้วแต่ว่าเขาจะถวายอะไรให้ฉันกัฉันไปมันกรรมฐานในแนวเนี้ย ใ, ในแนวการพิจารณาตรงนี้ถ้าหากว่าเราคิดแบบธรรมดานะครับคิดว่าให้สมเร็จประโยชน์ได้กันที่โบราณท่านพูดวราจิตจีบกลอยๆ อ, อร่อยเมื่อยากสมเร็จประโยชน์คือกินไปมันผ่านลําคอไปสำนวนศาสนาพระเจ้าใช้คำคำหน่ง ปยาปนามัตตังคือให้อัตภาพชีวิตเนี่ยมันดำเนินไปได้ก็พอแล้วไม่ต้องไปจิตใจในรายละเอียดมันเพราะอะไรเพราะว่าเรามองดูถึงว่าคนทั้งหลายในโลกนี้เราดูคนที่แข็งแรงนะฮะมาก่อนบวชเนี่ยเคยไปสัมผัสกับเงาะเซมังสาไกลเคยไปครุรีกับพวกเหล่านั้นอยู่แล้วศึกษาชีวิตเขา ก็แปลกนะฮะตัวเขาแข็งแรงจริงๆแต่ดูอาหารแล้วก็ไม่เคยมีอะไรต่วไรก็ทําให้ไม่ค่อยเชื่อเรื่องอาหารต่างๆที่พวกแพทย์ยอะไรตัวไรก็ว่ากันก็รู้สึกว่ามันมันสําเร็จประโยชน์เท่านั้นเองอะไรก็ตามสมําเร็จประโยชน์ไปได้แล้วจะเกิดการประหยัดเวลาเนี้ยที่ที่สังคมเรามีปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องเยอะเนี่ย ก็กลายป็นสังคมบริโภคและกิจกรรมในการโฆษณาอาหารของพลังอะไรแต่อะไรที่ส่งถึงที่พวกพิซซ่าพิเ ซ, ซอร์อะไรแต่อะไรนี่ฟังเขาถามเขาเต่ละตีนิดสะดุ้งเลยมันแพงจังแต่นั่นคืออะไรคือเราบริโภคไม่ใช่บริโภคอาหารแล้วมันเกินที่จะเป็นอาหารทีนี้คนเลยกินเลยใช้ก็ช่างก็เถอะแต่ว่าบางทีเนี่ยเราก็พออยู่พอกิน ถ้าสามารถประหยัดเอาไว้ไ่ด้บ้างสําเร็จประโยชน์ที่เรียกประหยัดปนญมัด ต, ตังคืออย่างอาณรภาพอย่างชีวิตจะเป็นไปได้ก็พอแล้วสําเร็จประโยชน์จะเอาอะไรมากนะักหนาอะไรก็กินไปได้นะบางทีก็อาจจะกินข้าวกับน้าําปลากินข้าวกับพริกกินข้าวพริกกับเกลือกินข้าวกับกะปิอะไรแต่ครุกกะปิก็กินไม่ได้เลยเลยปลาคงปลาเข้มบ้าไปได้ แนวของพระนี่เลยก็เป็นแนวที่เรียกว่าฝึกให้อยู่ง่ายกินง่ายเด็กก็อยู่แบบปอาหารเสือนะฮะคือบัญชีก็เยอะเหลือเกินคือถ้าเรามองดูแล้วเนี่ยมันบางวันเนี่ไม่รู้จะฉันอะไรเพราะไม่มีอะไรจะฉันบางวันไม่รู้จะฉันยังไงมันเยอะจังยังเคยไปต่างประเทศไปสหรัฐอเมริกามันคืออังกฤษที่ที่ที่อังกฤษเนี่ย ไปฉันที่บ้านเขาไม่กี่ครั้งสุดมากก็ฉันที่วัดแต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยเขาเขานิมนต์ไปฉันที่บ้านเยอะเกิดอาหารนโยมประเคงต้องถอยแล้วถอยอีกนะผลทยเอื้อมไม่ถึงไหมทําไมคนอเมริกามันกินหรูหราอย่างงี้ก็ไม่รู้งานเยอะจริงๆนะแม้แต่เขามาวัดเนี่ยเอื้อมกันไม่ถึงเลยก็เรียกว่าอย่างหนึ่งเนี่ยฉันตักไข่ดัชชามก็บุญแล้วอนะ นั่นคือแสดงเห็นว่าเรากินเกียรติยศกินชื่อเสียงกินอะไรเยอะซึ่งซึ่งมันไม่ใช่อาหารอาหารแปลว่าสิ่งที่นําผลมาอะไรก็ตามสมเปรียประโยชน์ก็ได้แล้วก็อยู่ง่ายกินง่ายเป็นเป็นการใช้ชีวิตแต่สบายสบายคือไม่ไม่ได้ไปตั้งกฎเกณฑ์ว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างโน้นนะฮะ คือทํายังไงว่าประพฤติัวให้มันมันมีลักษณะอ่อนตัวสูงคือประพฤติตนให้มันเบาเบากายเบาจิตอย่าไปแบกจ ะ, งงจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้เจ้ายศเจ้าอย่างไม่มีความจําเป็นอะไรนะฮะทำเป็นประโยชน์ด้วยกันมันเหมือนสมมติว่าเขาเอาเครื่องดื่มมาก็าดินใส่แก้วมาหรือใส่กีปมาหรือว่าใส่อะไรอะไรที่มันรู้รวยนะมันก็คือการนั่นแหละ สิ้นเลปลืองเปล่าๆไปต้องไปล้างภาชนะอีกก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่นั่นคือแสดงว่าเราเอายศเอาสักเอาเกียออรติอะไรต่ไรเข้าไปใส่สมมติเราจะดื่มปั๊บซี่อย่างเงี้ยต้องใส่แก้วยังดีต้องปิดฝาแล้วต้องใส่กี่มาแล้วต้องยกมาต้องวา ง, อ ย, า ง, งอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหเยอะเลยบางทีก็เสนอไม้เลือกเป็นทั้งสี่ห้าเก้วเลยจะได้ของ รสิ้นเปลืองนะฮเราบริโภคสิ้นเปลืองซะเยอะเลยอันนี้ก็คือแนวที่สอนให้พิจารณาบ่อยๆอย่างน้อยคือปรับสภาพตัวเองให้อยู่ได้ว่าไม่ไปขีดเส้นว่าเราแล้วต้องเป็นอย่างนั้นเป็นยังไงก็เอาอาหารมากก็ได้ก็ไม่ได้ว่าไรก็กินเพออิ่มอาหารน้อยก็เพออิ่มอาหารอร่อยก็เพออิ่มไม่อร่อยก็พ อ, อิ่มก็เรียกว่าสาเร็จประโยชน์ได้ ซึ่งถ้าเราคิดได้อย่างนี้นะเราจะลดรายจ่ายลงไปได้เยอะเลยและปัญหาที่มาประรบ ก, กันปัญหาเรื่องปาเรื่องทองก็จะลดลงไปตอนไปไาวรู้จักท่านสอนเนี่ยท่านสอนให้พระพิจารณาก็เรียกว่าตังคณิกะพิจารณาในขณะนั้นๆเวลาพระบินาบาบัดที่จริงต้องพิจารณาสามตอนนะคือตอนได้รับบาดเนี่ยจะต้องพิจารณา ในแง่ที่กล่าวแล้วที่มาบอกมันลึกซึ้งยากยากมากนะฮะนิสตโตชีโวสุนโยไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะเป็นของว่างเปล่าเป็นของปฏิกูลซึ่งซึ่งแต่ละคาเนี่ยนะแต่ละคาเนี่ยจะคิดยากมากแต่นั้นที่จริงมันเป็นแนวของค่อนข้างไปทางกรรมฐานกรรมฐานนี่เขาเรียกอาหารเรปฏิกูลสัญญา คือพิจารณาความปฏิกูลของอาหารเป็นเป็นเครื่องมือในการเจริญอย่างหนึ่งแต่ว่าคนจะต้องมีปัญญานะฮะจะต้องมีปัญญามากในการคิดในการมองโดยเหตุโดยผลแล้วจะไม่ยึดติดในเรื่องอาหารที่ตน ต, น, ตนบริโภคก็เรียกว่าสเมเป็นประโยชน์ทีนี้ถ้าชาวบ้านัดโดมเอาไปใช้เนี่ย เราจะไม่ไปให้ความสำคัญว่าเรากินอะไรแต่ว่ากินไปเพื่ออะไรอย่างที่คติไทยเราพูดอยู่ประโยคหนึ่งเดี๋ยวว่ากินเพื่ออยู่หรืออยู่เพื่อกินส่วนมากแล้วคนมักจะมองไปแนวที่เรียกว่าอยู่เพื่อกินแต่ว่คนบางคนเนี่ยนะคือกลัวจะอ้วนนะแต่อยากจะกินอยากจะเคี้ยว ก็เอาอาหารมาเคียเค้ยวๆแล้วก็ขายชิ้งคือไม่ได้ทำอะไรนอกเรื่องสูญเสียเวลาเปล่าๆไม่ได้ประโยชน์อะไรเรากินเพื่ออยู่เพเราะว่ากินไม่ใช่ตัวชีวิตจริงๆแต่เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตให้พา ง, งาันท่านยังเรียกว่าปัจจัยปัจจัยนะ่แปลว่าเครื่องอาศัย เครื่องอาศัยในการดำเนินชีวิตในการรักษาชีวิตในการประครับครองชีวิตจยดำเนินไปได้มไม่ใช่ตัวแกลนของชีวิตไม่ใช่หลักการสำคัญว่าชีวิตแล้วต้องเป็นอย่างนี้แหละต้องรูหราอย่างนี้ต้องพู้ฟ้าอย่างนี้นั่นก็คือแนวของพวกอาหาร ท, ท, ทั้งดื่มทั้งกินทั้งลิ้มทั้งชิมก็ไปนะฮะแล้วความมาสอนทงสอนให้พิจารณาในแง่ของความสาเหตุผล ทีนี้ก็ในเครื่องนุ่งหม่มเครื่องนุ่งห่มก็อีกนะพระเราเวลา น, นี้อาตมาเองยังมีความรู้สึกเนะี่ยและมันก็ค่อนข้างจะทำตัวยากอย่างน้กว่าตัวเองบวชมาเนี่ยประมาณสิบพันษานี่นะจีวรพระบงก็มีสองสามผืนนะั่นอะอยนะนะ่างเงี้ยตวนนี้มันเยอะจังแล้วไม่รู้จะทำยังไง พระญาติโยมาถวายแล้วต้องเกณฑ์ให้ขมให้เขาดูด้วยนะครับางทีก็บังคับเลยต้องให้ครองอย่างนั้นอย่างนี้ต้องดูเราก็ไม่รู้จะไหวยอย่างไงอะ่ะมันเป็นพันธะที่จะต้องปฏิบัติตามแล้วเสร็จแล้วเราก็ไม่ไหวมาวต้องเก็บสะสมเอาไว้เผื่อไปช่วยเวลาเกิดสาทานนภายัยแต่ของเก่าไปให้เขาก็ไม่เคยดีเท่าไหร่นะคร แต่ว่าไม่ได้เก่ามากอะไรเท่าไรเท่า น, นั้นถือว่ากระดางพาเป็นจริงถ้าเรามีจีวรทั้สองสามผืนเนี่ยนะสมงแล้วสองสามผืนนัตร์ทังสองาตัวนี่ก็เรียกเราสบายแต่มากมันก็ยุ่งยากในการซักในการเก็บรักษาแต่จริงๆแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะมีกันน้อยเกี่ยว่าเงื่อนไขต่างๆภายในสังคมมันทำให้เราจำเป็นต้องมี เพียงแต่ว่าเราก็ต้องไปคุมตัวเองในด้านการการใช้สอยคือมีก็มีนะฮะเราก็ใช้สอยไม่มากก็แล้วกันทีนี้ในในกรณีของชาวบ้านโดยทั่วไปเนี่ยครื่อยจากรแฟชั่นจากการโฆษณาชุดนั้นชุดนี้ชุดน้นอะไรแต่ละวันหนึ่งไม่รู้กี่ชุดเนี่ยมันสิ้นเปลงเกินเหตุเกินผลไป คือเครื่องนุ่งห่มมันมองแต่ว่าสามารถปกปิดอวัยวะที่สมบูรณ์บาลีท่านเรียกว่ายังความละอายให้กำเริบคือหมายความอาวัยวะตัวนี้ถ้าไม่ปกปิดแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าละอายก็ปกปิดได้ได้ถ้าเรามองดูว่ารูปแบบของพระที่พระเจ้าทรงวางไว้นะฮะปกปิดไม่ใช่ธรรมดาเนะเวลาเข้าบ้านเราจะเห็นชัดเจนนะฮะว่าปกปิด มองก็เห็นตั้งมือนิดหนึ่งเท้านิดหนึ่งนะฮะกระคอตั้งแต่ศรีรษะขึ้นนะตั้งแต่คอขึ้นไปแล้วก็คอก็เห็นไม่หมดด้วยปกปิดที่แรงมากหมายความมาชาวบ้านไม่ปกปิดขนาดนั้นนึกว่าผู้หญิงแขกที่เขาแต่งชุดสารีเนี่ยเ้ายังไม่ปกปิดขนาดนั้นแต่ของพระปกปิดเลยและพิกษุณียังปกปิดใหญ่ นั่นก็คือต้องการปลกปิดอวัยวะที่ยังความละอายให้กำเริบคือถ้าไม่ปกปิดมันก็เป็นเรื่องที่น่าละอายท้าก็สอนให้ปกปิดวันท้าสสาเร็จประโยชน์คือสุภาพเรียบร้อยสะอาดเรียบร้อยนะฮะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีหลายชุดอะไรมากมายก่อนเราไม่ต้องเป็นภาระคือแทนที่เราจะเป็นนายมันนี่มันเป็นนายเรา เวลานี้ยมีเครื่องซักผ้ามาราค่าแพงๆนะเครื่องซักผ้าเนี่ยแล้วก็ชครผ้าที่ซักก็มากทาให้สิ้นเปลืองในการบริโภคซึ่งเอาว่าจริงเราก็ใช้เพียงเท่าที่ใช้นะฮะสําเร็จประโยชน์แนตวตรงนี้ก็ทรงมองในแง่สอนให้มองในแง่ของความสมําเร็จประโยชน์เหมือนกันคือถ้าเรามองว่า สเปดประโยชน์แล้วเครื่องนุ่งห่มไม่จําเป็นเนี่ยตรงมากมันเป็นเรื่องของความนิยมเฉยๆเป็นกฎเกณฑ์เป็นเงื่อนไขต่างๆที่สร้างขึ้นเนี่ยเชื่อเถ่างานศพไปอย่างงั้นนะงานราตรีสโมรสรไปอย่างงั้นงานแต่งงานไปอย่างงั้ น, า ง, ง, นงานวัตแต่งงานมาใครบอกว่าเอาเองอ่ะไม่ว่าอะไรอะ่ะถึงว่าระยะเดียมจะแต่งชุดดํามาทํามาวันทํามดาเสวนาเนี่ยก็ไม่ว่าอะไร มันไม่มีกฎเกณฑ์อะไรอยู่เลยในในในเนื้อหาสาระของความเป็นศาสนาแต่มันเป็นกฎเกณฑ์ที่เป็นขนดธรรมเนียมประเพณีและบางอย่างเนี่ยมันมาจะต่างชาติต่างแดนยังแน่แต่งชุดดาเนี่ยไม่ทราบออกมาจากไหนยังนึกไม่ออกนะเพราะว่าคนจีเนี่ยก็แต่งชุดขาวเราก็แต่งชุดดายังนึกไม่ออกเหมือ น, นกันว่าว่าก็เอามา จากไหนยังไม่ศึกษาติดตามคือไม่สนใจไม่เห็นความสําคัญอะไรในเรื่องตรง น, นี้ก็เลยไม่ได้ติดตามรูคนมันได้มาจากไหนแต่ก็ถ้าเราไปเห็นว่าตรงเนี้ยถ้าเราคิดบ่อยๆมันจะเกิดปัญญาเห็นชอบว่าอาหารเนี่ยก็ให้สําเร็จประโยชน์ก็เรียกว่าสําเร็จประโยชน์อาหารฤทธ์กิจคือกิจของอาหารเนี่ยมันมีอะไรมันก็ขาจัดความหิวก่าป้องกันความหิวใหม่ ให้ร่างกายมีเรี่ยวแรงมีกําลังสามารถปฏิบัตภิภารกิจการงานได้มีความเจริญเติบโตนะสมับเด็กทั้งหลายเนี่ยเครื่องนุ่งห่ม ก, ก็สมบัติประโยชน์ในการปกปิดอวัยวะที่ควรปกปิดองการหนาวร้อนเหลือบยุงรมแดดต่างๆไม่ให้มาเปลี่ยนเบียร์บรทุสรลายมากเกินไปสมมัติประโยชน์ได้ยางสมบัตประโยชน์จบก็ทาให้การประพฤติตนเบาแล้วก็เป็นอิสระ ไม่ไปผูกโยงอยู่กับค่านิยมต่างๆภายในสังคมที่จะต้องเต้นไปตามกระแสของพวกต้องการขายสินค้านะพวกจัดพวกแฟชั่นพวกเดินแฟชั่นอะไ ร, ต, ะไรต่างๆเนี่ยยังนึกว่าบางทีอะไรเสื้อผ้าเอีไรเป็นแสนราคาเป็นแส น, แป น, แสนไปนุ่มก็ไปได้ยังไงไปห่มไม่ได้ยังไงแต่งแต่งไปได้ยังไ ง, ไไงไนี่คือความสิ้นเปลืองแล้วมันสูญเสีย เงินชาต่างประเทศออกไปในะแต่ละปีนี่ไม่ใช่น้อยนะเพราะอาหารกับเพรอะครื่งองผมสองอย่างเนะี่ยแต่ถ้าเราเข้าใจถึงสาระถะจริงๆเนี่ยเราจะแก้ปัญหาทั้งเศรษฐกิจของเราทั้งครอบครัวของเราทั้งเศรษฐกิจของชาติบ้านเมืองด้วยต้งฟังทั้งหลายใต้ลมโพกฏิยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาหนึ่งเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ม, มั่ ง, งามไปบูรในธรรม จะมีแตท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี